เป็นส่วนประกอบกับการศึกษาปฏิบัติที่เรากำลังทำอยู่ศึกษาอยู่เป็นการสะดวกได้ยินผู้อื่นพูดว่าได้เห็นสิ่งที่เราได้ยินว่าเราได้ทำในสิ่งที่เราได้เห็นเราได้ยินในสิ่งที่เราได้ทำเป็น ส่วนประกอบในการที่เราจะวิวัฒนาตนเองถ้าไม่ดีก็ทําให้มันดีไปที่ไม่ดีไม่ต้องไปถามใครเราพบเห็นอะไรที่ไม่ตรงทําให้มันตรงอะไรที่เป็นไปเพื่อเป็นทุกข์ให้มันออกจากทุกข์ให้มัน ทานอะไรไปบ้างในการใช้ชีวิตของเราก็าหมันตึงมากเกินไปก็ย่อนก็มันย่อนมากเกินไปก็ตึงมันไม่ความพอดีไม่ว่าอะไรเราก็ได้ศึกษาชีวิตของเราอยู่แต่ไม่ค่อยได้ทําให้มันดีทั้งมันเป็นตรงเวลามันไม่ดีก็อยู่กับความไม่ดี เจ๋อเวลาเช่นความโกรธความหลงก็ยังอยู่กับความหลงความโกรธข้ามวันข้ามคืนได้ว่าทำให้ไม่ดีไป จ, จมไปติดเอาล้าทำให้มันดีแล้วก็เปลี่ยนได้ให้มีการกระทําตรงนี้ให้มีความเพียรตรงนี้เล็หน่อย เย็นเรายากจนก็มีความขยันสักหน่อยรู้จักใช่รู้จักหารู้จักรักษารู้จักเก็บอะไรต่างๆไว้มันก็มั่งมีเพราะความจนหลายชีวิตที่มั่งมีเพราะความจนหลายชีวิตที่จนเพราะความจนหลายชีวิตที่เคยมีแล้วจนเพราะ ไม่ทําไม่ดีไม่ทําให้ตรงต่อไปเราเคยทุกข์เรื่องเก่าทุกแล้วทุกอีกก็มีเราเคยฉุกก็ฉุกแล้วทุกอีกก็มีเคยหลงเรื่องเก่าหลงแล้วก็หลงอีกก็มีเราจึงปฏิบัติมีความเพียรให้มันหมดไปหมดไปได้ทีเ่เรามาปฏิบัติทำเนะี่ยมันหมดไปได้ มันล่วงข้ามไปได้มีสติอะไรที่มันเกิดจากสติหลายหลายอย่างไปพร้อมๆกันก็รับความชั่วไปพร้อมกันทำความดีไปพร้อมกันแล้วพลังงานเพิ่มขึ้นเหมือนกับเราใช้เครื่องมือทำงานของหนักกลายเป็นของเบาได้ถ้ามีสติ ถ้าใดมีสติผู้น่งก็ชั่วาตามรอยพระพุทธเจ้าเห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทำอย่างนี้ผู้ใดหลงเราก็เห็นพระพุทธเจ้าพระเจ้าไม่หลงตรงนี้เรียกว่าเห็นลอยอยู่สัมผัสได้อยู่เราจึงไม่ต้องมีคําถามในการปฏิบัติธรรมแน่ เมื่อมีสติเับเราความชั่วมันก็ทําความดีเมื่อเราความชั่วทําความดีมันก็เป็นศีลไม่เปิดเพื่อนไม่เปิดเพื่อนเหมือนกับลักงวลสงวนตัวเหมือนกับหนุ่มสาวชอบสวยชอบงามงามของศีลเนี่ยมันก็ไม่ยอมให้เปิดเพื่อนได้มาเจอทางกายทางวาจาทางใจทางตาทางหู มันควบค่มไม่เหมือนหนุ่มสาวโผมสวยงามอยู่ในกายในใบหน้าเครื่องแต่งตัวเครื่องนุ่งเครื่องห่มแต่ไม่ได้รวมถึงตาหูจมูกเลี้ยกายใจรู้รถกินเสียแต่ถ้าศีลที่เกิดจากไม่สติมันงามไปเมื่อมังามอยู่ได้นานนั่นก็มีสมาธิทรงอยู่กับความปกตินั้น ศีนก็คือความปกติเมื่อมีความปกติอยู่ได้นานมันก็เห็นความไม่ปกติได้ ว, ว่าสมาธิมันเห็นมันตั้งอยู่นานเมื่อกับน้ำที่มันนิ่งมีอะไรมาสัมผัสนิดหน่อยก็กระเพื่อมเห็นน้ำก็เพื่อมถ้าน้ำนิ่งก็เห็นเลทุกอย่างแต่มืก่กระเพื่อมก็ไม่เห็นจึงพยายามที่จะ น้ำก็ปรับตัวของมันให้เป็นน้ำให้มันนิ่งอันขึ้นไม่ใช่น้ำอันฉินไม่ใช่ผู้ใช่แพรบมันก็รู้จักปรับตัวสมาธิก็ตั้งอยู่ได้นานไม่งอนแย่นคอนแจนต่างตาต่างหูจมูกดิ้นกายใจตั้งไปในใกายที่เคลื่อนไหวเดินจงกรมยกมือสร้างจังหวะหายใจเข้าหายใจออก ตั้งอยู่เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็ติดมันก็ชินเวลามาชิดไปปป๊บหนึ่งมันก็น้อยๆก็รู้เห็นความหลงที่มันไม่ใช่สมาธิมันจะมากับเพื่อมันจะพงจะแต่งไปแล้วก็เข้าไปทําให้ดีตรงนั้นทําให้ตรงตรงนั้นออกจากความไม่ดีได้สิ่งที่มันไม่ตรงให้มันตรงได้ไม่มีผลงานเกิดขึ้น จนเกิดปัญญารอบรู้ออกจากความไม่ดีออกจากความไม่ตรงทำให้มันดีแล้วอยู่ในความสมควรเหมือนกับเราทำงานเสร็จอะไรบางอย่างทานาเสร็จก็มีจิ์นั่งได้นอนได้เกี่ยวข้าวเสร็จก็มีจิตพักผ่อนได้เอา้นยุ่งคนฉางก็มีสิ์ที่จะของทรัพย์สมบัติที่เรามีได้ มีอยู่ไม่กินไม่อดไม่อยากมีศีลก็เฉยได้มีสมาธิก็เฉยได้มีปัญญาก็เฉยได้เป็นไปเพื่อเอกจากทุกเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อนิพานไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนนี่คือมันเป็นก่อเป็นกรรมขึ้นมาเป็นผลงานขึ้นมามากกรามดีมก็มีดีเกิดขึ้นแล้วความชั่วก็ความชั่วหมดไป ใจบริสุทธ์ก็จาดหมดจดไม่คงสานตาก็สบงบหงอก็สงบรูปรสจินเสียงก็สงบเหมือนมันแจกลา้าไม่หวั่นไหวต่าไม้ที่มันแจกร่าเดินห้องขาคนที่ข้องเกลือเขาเทหวันก็ต้องหกล้มแล้วอันไหนมันอ่อนมันก็ขาดได้ ตาเห็นรูปไม่หลุดไปง่ายมั่นคงตรงนั้นได้หูได้ยินเสียงไม่หลุดไปง่ายไม่ได้ปีนดีไม่ได้ปีน ไ, ไนล่มีปัญญาตรงนั้นด้วยก็ไม่งอแ น, นก่อนเชียนก็ไม่หวั่นไหวก็เป็นเถื่พึ่งของชีวิตได้ชีวิตที่มั่นคงเกิดขึ้นได้จนเห็นความทุกข์ก็ไม่หวั่นไหวในความทุกข์เห็นความสุขก็ไม่หวั่นไหวในความสุข แต่ความโลคความโกรธความหลงแม้มันมีเกิดขึ้นก็ไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวเพราะความโกรธความโลคความหลงความรักความชางังแต่ก่อนนั้นเอาทุกอย่างเอาวัตถุมากําหนดจิตใจของตนแดงเอารูปมากําหนดเอาเสียงมากําหนดเอากินมากําหนดเอารสมากําหนดเอาความยากของจนมากาหนด เอาความ m e n t a l l เมสริญมากำหนดเอาการได้การเสียมากำหนดองให้กระทบกระเทือนจิตใจน่อยหลายอย่างตัวมีศีลมีเจริมทิมีปัญญามีสติมันไม่เหมือนก่อนไม่ไดกระทบกระเทือนเพราะวัตถุสมมุติปัญญะแล้วก็เช่นแผงเกิดอนิี้สงเรียว่าสงควรปฏิบัติสงควรแล้ว จนเห็นอะไรทุกอย่างตามความเป็นจริงที่มีอยู่ในการในใจของเราเห็นหมดเห็นครบเป็นท่วนไม่ใช่มันไม่ได้บทเรียนจากอาการที่มันเกิดขึ้นความสุขก็ได้บทเรียนจากความสุขความทุกข์ได้บทเรียนจากความทุกข์ถ้ามีศีลถ้ามีสมาธิถ้ามีปัญญาแต่ถ้ามันมีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญา ไม่มีสติมันก็มาก็เห็นอะไรเกิดขึ้นก็มีรสมีชาติแต่ถ้าเราเห็นบ่ยบอยๆหรือว่าแจ๊งค่ะเคยเห็นเคยรู้เมื่อเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นดีชั่วรูจ้จักเี่นความสุขเห็นแล้วความสุขมันเกิด อ, อะไรแค่ไหนเพียงลายความทุกข์มันเกิด อ, อะไรแค่ไหนเพียงลายเกี่ยวข้องกับความสุขเกี่ยวข้องความทุกข์ ถูกต้องเวลามันสุกเป็นไปเพื่อเหนือความสุกเขินมันสุกไม่เป็นผู้สุกมันก็ถูกต้องเห็นอะไรมันถูกต้องเรื่ปฏิบัติดตีปฏิบัติตรงปฏิบัติออกจากทุกข์ถ้าเห็นสุกเป็นฉุกถือว่าไม่ได้ปฏิบัติ ด, ดีไม่ได้ปฏิบัติตรงไม่ได้ปฏิบัติออกจากทุกข์ไม่ได้เป็นนิพพานตรงนั่นด้วยยังมีรสมีชาต ของจิตกองใจไม่เย็นไม่ปกติก็เลยกิดทุกข์เทือนนี้ตลอดเวลาหวั่นไหวตลอดเวลาอ่อนแอตลอดเวลาไม่มั่นคงเราจึงเห็นอย่างที่หลวงตาพูดว่า น, นี่อะไรก็เห็นหมดอะไรก็เห็นหมดเลยไม่ต้องเป็นอะไรกั บ, บอะไรตรงนี้เลยว่าแก่ก้าโยาอินจี สติอินทรีย์แต่ก่อนสติอินทรีย์ไม่มีเพราะว่าได้ตั้งไม่นานไม่มีไปในกายไม่ไปในเวทนาไม่ตั้งเวนานเบาๆไม่ติดกายก็ไม่ติดสติใจก็ไม่ติดกับสติอยู่คนละส่วนเหมือนต้นกล้าเอาไว้คนละส่วนไม่ฝังลงบนดิน ต้นข้าก็ไม่ออกลากเมื่อไม่มีลากก็ไม่หยั่งลึกเมื่อไม่มีลากอยู่กันในดินก็ไม่ออกดอกออกผลเมื้นเราปลูกต้นไม้ปลูกข้าวนี่ก็มีการเวลาหนึ่งวันเจ็ดวันหนึ่งเดือนเจ็ดเดือนหนึ่งปีเจ็ดปีอย่างช้า มเมื่อมันอยู่ในดินมีน่ามีปุ๋ยพอสมควรมันก็วิวัฒนาการของมันตามธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติเในฤดูนี้ปูกข้าวตั้งแต่เดือนมิถุนากอเลก ด, ดาจิงหาสามเดือนแล้วก็เกิดตั้งคันแล้วตั้งคันตุงนาสีขาวๆจะเป็นสีเขียว มันงามขึ้นเหมือนคนตั้งคันผู้หญิงตั้งคันเมื่อตั้งคันขึ้นก็งามกว่าเก่าผีสันงามกว่าเก่าเป่งปังกว่าเก่าหน้าตาก็เป่งปังกว่าเก่าพร้อมที่จะเลี้ยงลูกได้มีน้ํานมมีกําลังหมานตอนข้าวตั้งคันเออเป็นธรรมชาติ ศีลเมื่อมันเต็มที่สมาธิเต็มที่ปัญญาเต็มที่สติเต็มที่มันก็มีผลเป็นมากเป็นผลพระพุทธเจ้าจังว่าเป็นไปเพื่อความออกจากทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อปัจจินิพานจากต้นกข้ากลายเป็นเม็ดข้าวเป็นเลือดเป็นเนื้อของเราได้สติมาอยู่ในกายแท้ๆมาอยู่ในจิตใจแท้ๆ แจะต้องเป็นมักเป็นผลแน่นอนอนะแ ต, ติมันตั้งอยู่ได้นานอยู่อดีตอดตเหมือนเราปลูกต้นไม้ตั้งอยู่นานในท่าไหนเพียงไรได้ที่ได้ทางไหมายไม่ใช่ปลูกข้าวใส่พลันหินแตติมันไม่อยู่ในกายไม่ใช่หินกายมันก็มีศีลอยู่ที่นี่ด้วย มีสมาธิอยู่ที่กายด้วยมีปัญญาที่กายด้วยใช้ได้ด้วยมีศีลก็งดงามไม่เปิดอเพื่อนมีอเนกสงสีเลนะสุขจริงยติก็มีศีลก็เป็นศุกได้สีเลนะโพกันสัมปทาผู้มีศีลก็มีโพกัพย์ได้สีเลนะนิพุติงยันติผู้มีศีลก็มีนิพพานได้ไม่ใช่ศีลเอาไป วางบนหิ้งมันเป็นประโยชน์ต่อกายมีความสุขมีทรัพ์ได้ซับภายนอกภายในมีได้แต่ เ, เลยกระดมใบมุกไม่ประกอบก็มีเิ็มทำไม่ลงกลมชั่วทาไม่ได้กนสวยงามทำอะไรสกปรกปำแแ ม, ม่ไม่ได้เหมือนเครื่องสกปรกติดผ้าให้อยู่นานไม่ได้ต้องซักออก ก็มีศีนก็รู้จักทำความร้ายเป็นความดีอด้ไม่ยากขยันตรงนี้แต่คนไม่มีศีลก็ไม่รู้จักรักษาตัวเองเช่นคนเมาเหล้านอนเจียกขี้ฝุ่นก็ได้เจียกขี้หมูขี้หมาก็ได้บางคนน่าเกลียดม า, มากเอากระดูกขาหัวขาไขวยขัดเอว Ên, แท่กินกระดูกเหมือนหมาคนไม่มีศีลก็ทำาไรได้ตอนกินก็เหมือนสัตว์ร้ายกว่าสัตว์บางคนชอบเมาบางคนไม่เอาเลยก็ว่าเมาเนี่ยบางคนก็เป็นชีวิตชีวาของเขาในคนไม่มีศีลมันก็มีสีเรนสุกติยันติสีเรนัปโภคสมปธาแทนที่เมือร้อยบาท กินข้าวหมดกี่สิบบาทตอนมีศินก็อิ่มได้ตอนไม่มีฉินเงินร้อยบาทกินหมดยังไม่อิม่มมันก็ไม่มีสีเลยนะโผล่สมปทาเกียรติข้านมากกว่าความขยันตอนไม่มีฉินก็หลงมากกวความรู้ทุกมากกว่าความไม่ทุกความไม่ทุกไมีอยู่ ไม่เอาเอาความทุกข์ง่ายกว่าความไม่ทุกข์ยากตามดีได้ยากทงชั่วได้ง่ายถ้าเรามีสติมีศีลแล้วนิดหน่อยก็ไม่ให้อยู่ในหัวใจอันเชื่อว่าความทุกข์เนี่ยมันโฉบกว่าทุกอย่างมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่มีแต่ทุกข์ทนั้นับไปขยันตรงนี้ขยัน เปลี่ยนร้ายเป็นดีขยันเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์มันเปนความเพียรตรงนี้อย่างยอดเยี่ยมผู้ดใดมีความเพียรวิเยนะทุกขมัดเจติคนจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรถ้ามันทุกข์หรามีความเพียร ท, ที่สุดเลยแล้วก็เปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์ง่ายๆถ้าคนไม่มีความเพียรก็ยาก ในการเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์ยากมากเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธก็ยากเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงก็ยากถ้าคนไม่เคยฝึกตนสอนตนว่าทียึดเอาเสียด้วยยึดเอาความทุกข์ยึดเอาความโกรธนึกว่าตัวว่าตนเลยถ้าเกิดความโกรธเกิดขึ้นสามีพัญญาก็ไม่ไว้หน้ากัน เพราะยึดเอาความโกรธความทุกข์เป็นตัวเป็นตนเต็มที่ทำชั่วสุดสุดก็มีฆ่ากันได้ก็มีถ้าเรามาเห็นมันแล้วโอ้ยแม่มันหลงคิดไปก็ปัดทั้งอกตัวเองถ้าบคนมีสมาธินานหนึ่งวันเจ็ดวันอยู่กับสตินานเวลามันหลงไป ในความคิดเนี่ยเอามือรูป อ, อกจริงจริงนะมันรู้สึกว่ า, าวันเฉลหยกลับกวามคิดที่มันหลงไม่ได้ตั้งใจแต่บางคนก็หน้าด้านตรงนี้ด้านที่สุดปล่อยให้วนคนคิดไปจนไม่รู้จักอะไรเลยไม่รู้จักอายไม่มีความละอาย ความละอายไม่ต้องละอายตัวเองไม่ใช่ละอายคนเด่นความลับไม่ใช่ตาเช่หูเราพูดคนไม่ได้ยินตาคนไม่เห็นเราที่ว่าความลับมันไม่ใช่ความลับคือไม่มีใครรู้ความลับในตัวเราไม่มีเลยความลับเวลามันคิดอะไรที่ไม่ดีอายอายตัวเองอายความดี ถ้ามีสตินะถ้ามีสติมันอายสติไม่กล้าคิดมือลูกหน้าอกเวลามันคิดไปที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ความคิดที่ตั้งใจมันใช่ความคิดไม่ใช่ให้ความคิดใช่เรามันใช่ตาไม่ใช่ตาใช่เรามันใช่หูไม่ใช่หูใช่เราถ้าตามันใช่เราหรอไม่เป็นธรรม โอ้ไม่ใช่เราไม่เป็นธรรมเป็นทาตตัวจะหมดโอกาสแล้วก็เปรอะเพ่อนมากแล้วเสียเวลามากมันไม่ใช่มีรสชาติตลอดไปอันหูเนี่ยตาเนี่ยแต่โหมดิ้นกายก็ไม่มีรสชาติสักเมือไปใจก็ไม่มีรสชาติสเสมอไปถ้าใช่ผิดก็กเกเรไปหมดเลยถ้าใช่ถูกก็ เป็นประโยชน์ดังโบราณท่านว่าสิบปีอาบน้ำบัวหนาวสาวปีเล่นเสาเล่นเบ่าไม่เบื่อสามสิบปีลาเมียก่อนไก่สี่สิบปีไปไล่นามาทอดคุยห้าสิบปีเป่าคุยโบกข้องตีก้องห่วดังตีละครหมงมนห้าสิบปีล่ะสู้เสือทุกข้า ลืมไปหกสิบปีเป่าคุยบอกร้องตีค้องบดังตีระคังมุงมองเก้าสิบปีใครก็ตายพ่าใครก็ตายเก้าสิบปีป่วยก็ตายไม่ป่วยก็ตายตเก้าสิบปีไปแล้วอย่างหลงตาเนี่ยเมื่อวันพระก่อนไปดูหนังพิชัยเอาหนังมาฉายให้ดูเอาบีซีดีมาฉายให้ดู ก็ฉายเรื่องข่าวต่างๆมาฉายเรื่องหนังสัตว์ตาก็ไม่เคยดูมาตั้งหลายนานมันไปดูกับเขาไปดูสัตว์ทํางานชั่วโมงกว่าๆงานไม่ได้เลยก็ตามันเพ่งตามันเพ่งมันไม่ชอบมันไม่เคยเพ่งไปดูหน้าทีวีแบบนั้น ตราลองดูไปเรื่อยๆพอออกเหินท่าไปไหวมันบินมีบนเบียนลุกออกพอลุกออกวินเวียนเลยแค่นอนก็วินเวียนโอ้เขยดหลาบแล้วมันไม่เอาเป่าคุยบวกล่องตีกล้องบวดังตีละขังบวมวนไม่เคยเปิดเทปไม่เคยฟังข่าวไม่เคยเป็นนั่งจอต่อหน้าทีวีโทรทัศน์นานมาแล้ว มันไม่เอาจะให้เป็นนั่งจ้องโทรทัศน์ตังนี้มันไม่เอาข่าวก็ไม่เอาเดีวนี่ทเทปกรเจกอยู่เก็บไปพิปพิธภัณฑ์อยู่ในกติปูขอทองเขียนไปแล้วว่าพิพิธภัณฑ์อีเทปเครื่องใหญ่ตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่านะยังอยู่ยังใช้ได้อยู่ไปเปิดกดวิทยุมันก็ดังอยู่ ไอเปิดเสียงก็ดังอยู่แต่ไม่ใช่กัดเจ็บเล็กๆเท่าเนี้ก็ไม่ใช่อยู่ในตู้อยู่ในตู้ตเจ็บปอยถ้าหลวงตาตายไปก็เจ็บไปนั่นแ่ะเป็นข้อนมีสิว ม, วกก ม, ม <laughs> วีวิทยุกระดูกหมาขนาดเนี้ยเอาว่าวิทยุกระดูกหมารุ่นเก่าที่สุดรุ่นแรกที่สุด มีวิทยุสื่อสารด้วยแต่ไม่หนึ่งก็ใช่กันนะก็มีเหมือนกันมีเครื่องชาติแบตเตอรี่เก็บไปอยู่ต่อไปจะเป็นของมีค่าของโบราณนานที่สุดมีข้อนมีสิวมีเลื่อยมีมีดเครื่องใช้ไม้สอยมีบาดเก่าๆสี่สิบปีเก็บไป ถึงเปลี่ยนไปไม่หวานสงวันเนี่ยปฏิหารบาทใหม่แล้วยังงามนะงามบาทงามเชิงบาทงามสลกบาทไม่งามสาวงามหนุ่มเหมือนเมื่อหนุ่มนะอย่ามาอวดกันก็ได้ <laughs> งามวัตถุงามบาทตัวเองงามกีบอเจ้าเสื้อผ้าอะไรมาอ้างไม่หวั่นไหว อังสะแขนเดียวก็ยังงามนะไม่เหมือนชุดยีนชุดเสากลของท่านอัสะแขนเดียวยังหนุ่งนุ่งงามพี่บอลหอมงามก็ะจะนุ่งอะไรก็นุ่งไปแต่งามที่เป็นส่วนรวมสาลาพอได้นั่งกันได้กติพอได้รับแขกได้ ในที่เป็นส่วนรวมงามอยู่งามส่วนรวมไม่ใช่งามส่วนตัวมีเครื่องใช้ส่วนรวมงามแบบนั้นก็มันก็หมดลงไปแล้วรูปรสกลินเถียงเนะี่ยมันไม่ใช่ที่เราจะไปหลงหรกลู่โลดหน้าไว้ก็ดีทันายมันไวก็ดีที่เราชอบ มันก็มันชอบจังวันอะไรเที่วเกลียดก็ไม่เกลียดจังวันหนึ่งอะไรที่เราชอบเป็นของเรามันจะจะไม่ใช่ของเราแม้แต่หน้าตาขาแขนหูเสียงวันเนี่อยากจะไปทําฟันอยู่อาจารย์ข้าไม่ทันลาพบความเลยถ้าชวนอาจารย์ตุ้งคนหมูไปทําฟันกรุงเทพแล้วฉันอยู่สุโกโตก็พอไว้ นี่เพื่อนนั่งเป็นหมูด้วยไปฉันว่าเตือนเขาได้ครึ่งเดียวเขายิ่มไปแล้วอายเขาไปฉันข้าวัดเตื่นไม่ยิ่มเลยแม้แต่ไปฉันข้าวัดภูเขาทองก็ไม่ยิ่มสักวันเลยต้องรีบกลับสุโกโตเพราะมันไม่ทันเขาแต่ก่อนเขี่ยวจีบข้างื่นได้ตอนนี้ต้องสามจีบข้างจึงตื่นได้ครึ่งเต่าครึ่งกับฟันมีฟันดี กันแล้วก็พันโบดมันออกไปถอนทิ้งไม่ได้โหลนนะถอนทิ้งไปนั่นปวดมั่นอยากไปทาพันอยู่ถ้าอยู่สุกโตก็ไม่ต้องทำมีเพื่อนฉันอีมได้อาหารก็ข้าต้มไปฉันข้าวสวยเนี่ยยิ่งไม่ไหวเลยวันตาก็เหมือนกันแล้วก็หมดไปแล้วหูก็หมดไปแล้ว ลิ่นก็หมดไปแล้วหพ่ากรมบอกว่าญาติโยมมานีมหมดให้ไปแสดงธรรมวันพระน้าอำเภอบ้านเข้ามันเทแดงไม่ได้ไม่มีเสียงถ้าหลวงพ่อกรมแสดงอ่ะผมไปด้วยได้อยู่นิดหน่อยถ้าใช้ไปนำหน้านำตาทำอะไรไม่กล้าไป นี่คนนี่หมนุนไปโน่นไปนี่ก็ไม่อยากไปมันหมดของที่เราเคยรักก็เป็นของเมตตาการกุณาไปของที่เราเคยเกลียดก็เป็นเมตตากุณามั่นองคือเมตตากุณาพิตาเปรคาให้มีเอาไว้ถ้าไม่มีตัวนี้ก็หลงที่หลงทางนะไม่มีสติมีกุยทางเอาไว้บ้างถ้าเวลามันหลงงานต้องไม่หลง เวลามาสุขมันต้องไมาสุขเวลามาทุกข์มันก็ต้องหมาทุกข์เห็นมันสุขเห็นมันทุกข์เห็นมันหลงเห็นมันลู้เห็นมันผิดแต่มันถูกเห็นมันชอบแต่มันช่างเลื่อยไปเห็นมันเห็นมันเห็นมันตาว่าที่เห็นมันเจริญนี่แหละความถูกต้องไปตามรอยพระองค์พระพุทธบาทพุทธเจ้าต่างที่หลวงตาพูดในฟังวานถ้าเห็นไม่เป็นแล้วสุดยอดแล้ว นี่คือไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายตรงนี้มันเป็นธรรมมันเป็นมรรคเปินผลเห็นมันไม่เป็นอะไรกับอะไรในกายในใจเราเนี่ยในโลกไปนี่กายโวรงศอกยาวาหนาเครื่องเนี่ยไม่ต้องเป็นอะไรกับมันเห็นหมดแล้วจะมาอวดกันจนขน้นไหนก็เคยจนมาแล้ว สุขขนาดไหนก็เคยสุขมาแล้วทุกขนาดไหนก็เคยทุกมาแล้วทุกมงแล้วทุกไม่มีเสื้อผ้าจังมีฝาบ้านพอได้ลี้อยู่เคยลี้ในบ้านตัวเองได้มีเครื่องนุ่งที่มันพอเียะไปเดินกันหลอนกับชาวบ้านนด้ผ้าไม่มีนุ่งนอนลี้อยู่ในบ้านก็มีใช่ไหมหลายคนที่ไม่เคยร้องจ่าเคยมาแล้วนะเป็นลูกกับผ้าพ่อตายยากจน นั่นแหละขอบคนของจนทำเราเชื่อมแข่งต่ทวงจนทำเราอ่อนเออเจเลก็ไม่ของจนทำเราเชื่อมแข่งทำเราเป็นคนดีได้เวลาไปเที่ยวกับโม่เป็นหนุ่มเขาเจเล่เขาก็มีพ่อมีแม่มีพ่อตอนหน้าเขาดีกว่าเราเราจะไปเจเลยเหมือนเขาไม่ได้พ่อเราก็ไม่มี ต่ความไม่มีพ่อเขากาลังเกียจแล้วคนโบราณลังเกียจคนไม่มีพ่อนะตัลูกกับผ้าตัว น, นี่แม่มีพ่อก็เปรียบเหมือนไม่มีพ่อเป็แม่ก็เปรียบเหมือนไม่มีแม่เป็นลูกของบริษัทไปหมดแล้วทุกชีวิตเลยแต่ก่อนมันเป็นลูกของพ่อของแม่จริงอายุยี่สิบปีเนี่ยยังไม่เคยออกจากบ้านเลยจยูกับแม่ เดินก็เดินไปนาตัวเองไม่เคยไปที่ใดคีดเส้นทางให้กับการใช้ชีวิตจนตัแต่เล็กจนเป็นหนุ่มจนเป็นหนุ่มจนเป็นอายุยี่สิบปีเดินไปแต่นาตัวเองไปหาฟืนก็ไปที่นาตัวเองไปเก็บเพชรก็ไปนาตัวเองไปเก็บผักไปหาปลาหาจิ๋นไปหาที่นาตัวเองไม่เคยเดินไปทางเกิดเลยทางอื่นแม่จะดีก็ไม่ค่อยไปทุกวันนี้ไปหมด ทัโลกทุกที่ทุกทางเ่ะหนึ่งก็มีมอเตอร์ไแต่ก่อนไม่มีหาท่านเดินไปนาเน่ยคองที่สุดเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเดินไปไร่ยไปนาเัวองไปตลาดไปเที่ยวไม่ใช่เป็นลูกของพ่อของแม่เราทุกวันนะีนแ้แม่จะเป็นสามีพันยาไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะแต่ก่อนพี่น้องเห็นหน้ากันทุกวันกินข้าวด้วยกันทุกวัน เดี๋ยวนี้มันไม่มีกันแล้วมันไกลกันออกไปมันก็ยิ่งเถื่อนออกไปถ้าเราไม่มีทรมาแล้วนะสิ่งแวดล้อมมันไม่ค่อยดีจึงไม่ควรประมาทขอท้าทายไว้มานี่เถอะพวกเราห้ยมาศึกษาชีวิตจริงๆมันจะเห็นอดทุกอย่างถ้ามีสติดูกายดูจิต ตาของเราจะหลอกไม่ได้จิตก็หลอกไม่ได้ตาก็หลอกไม่ได้หูก็หลอกไม่ได้จะหมูนเร่นกายใจหลอกไม่ได้รูปรสเสียงเสียงหลอกไม่ได้เดี๋ยวนี้หลอกได้ที่ทสุดคือใจของคนเราเป็นสุขก็เพราะใจเป็นทุกข์ก็เพราะใจความรักของเจ็บก็เพราะใจร้อกายเพราะใจเสียเวลาอยู่กับความรักความสุขความทุกข์ที่เกิดกับใจสักวันหนึ่ง เราปฏิบัติเห็นกายสภาวะาเห็นเวทนาสภาวะเวทนาเห็นจิตสภาวจิตเห็นธรรมสักวะธรรมจนมันตายไปตอนที่มันจะเกิดทุกเกิดสุขจากกายจากใจเนี่ยจากเวทนานี่หมดไปเลยเห็นแต่รูปแต่นามสุขทุกข์ไม่ต้องเรียกเป็นอาการ อาการของกายอาการของใจเจแล้วไม่เรียกว่าสุขว่าทุกข์เลยเป็นรูปเป็นนามถ้ามีอะไรก็เป็นสมมติแน่นหนามากสมมติอย่มีบัญญัติมีวัตถุมีอาการบัญญัติสมมติบัญญัติตญญตเป็นรูปธรรมคิดเช่นมาก็สมมติว่าสุขว่าทุกข์ว่าชอบว่าไม่ชอบเป็นสมมุติบัญญัติในนา ม, มาธรรม สมมติบัญญัติในรูปตาเห็นมีรสมีชาติมีรูปรูปคือสัมผัสได้บัญญัติว่าชอบว่าไม่ชอบในบัญญัติที่เป็นรูปธรรมจนเสื่อหายเพราะบัญญัติเพราะสมมติเอาไม่ใช่ประมัดบัญญัติลงไปในานามธรรมาความโกรธที่ว่าเราเราโกรธ สมมุติปัญญาตแนะนา ม, มาทำเต่าพอใจเราไม่พอใจสมมุติปัญญาตแนนามาทำมันเป็นสมมุติปัญญาตเ่า ah ไม่จริงเคยมีความพอใจเคยมีความไม่พอใจแต่ความพอใจไม่พอใจมันไม่มีจริงจรชั่วข้างชั่วข้าวแล้วก็หลอกกันเช่นความโกรธสมมุติว่าเราโกรธจ้ะกูโกรธเต็มที่เป็นกูจริงจิงเป็นตัวเป็นตนจริงๆใช้กายใช้ใจไปกับความโกรธ ทำตามความโกรธเสียผู้เสืยก่อนจนเกิดการเสียหายหรือว่าสมมุติบัญญัติที่เป็นนามมาทําสมมุติบัญญัติที่เป็นรูปประทันแย่งกันข่มขืนเข็นฆ่าป้นขี้กันลักขมโมยอะไรที่เป็นสมมบัญญัติติดคุกติดล้างก็ยอมป่านชีวิตก็ยอมถ้าได้ทําไปตามสมมุติบัญญัติมีเงินไม่ท้องก็ไม่เหลือ หลงในสมมุติบัญญตัติในโลกในโลถในกินในเสียงไม่ใช่ประมาจัจะความโกรธเป็นสมมติบัญญัติคมไม่โกรธเป็นประมาจัจะความหลงเป็นสมมติบัญญัติคมไม่หลงความรู้ตัวเป็นประมาจักรมันจริงอย่างนี้นันไปไหนก็ไปพ้นความจริงในโลกเนี่ยแต่แล้วก็ท่องเที่ยวความไม่จริง ตลอดถึงการเกิดเจ็บเจบตายมันก็เป็นธรรมชาติเป็นอาการของรูปไม่ใช่อาการของชีวิตจริงชีวิตจริงๆมันได้คือไม่เป็นอะไรจากที่มันเห็นมาสุขสุขโศกสมที่เห็นเห็นมามันก็เรียกไ้่เป็นอะไรเลยคือชีวิตถ้าไม่สุขเป็นทุกข์ไม่ใช่ชีวิตถ้าเห็นมันสุขบันทุกก็ยังดีจนไม่สุขไม่ทุก ไม่เป็นอะไรเลยจนอยางนี้แล้ว่าชีวิตนี่คือเหนือการกระเจียบตายผูย้เจ้าเราจะทะลุผู้หลองไหนไม่ได้ตัดสรูทุที่อะไรที่ไหนในกายใดใจเราเนี่ยเห็นแล้วนะแต่ว่าชาติชิ่นแล้วชาติเป็นความสุขพบชิ่นแล้วพบที่เป็นความสุขความทุกข์ชิ่นแล้วมีแต่ไม่เป็นอะไรชิ่นพบชิ่นชาติแต่ว่า ผมมอจันที่สุดแห่งชีวิตไม่เปิดเื้อนกับอะไรเป็นสมบัติของทุกชีวิตจะให้พลาดไปมีสิทธิที่ต้องศึกษาไม่ต้องทำไมถามอย่นี้แหละตามรอยพระเจ้านตั้งแต่วันเพ็ญเดือนหกมาพระเจ้าเกิดตรงนี้ไม่ใช่เกิดที่ไหน อันเกิดจากรูปจากกายที่เป็นลูเกเจ้าศีร ถ, ถะเกิดจากสวนลมพินีเกิดเป็นพระเจ้าเกิดเป็นหัวใจนะอันเกิดที่พุทธคยาก็เป็นที่เป็นที่อันดัอันที่จริงๆงมาอยู่ในอยู่ในกับชีวิตเราเนี่ยจเจริญสติเห็นเนี่ยไม่ต้องไปศึกษาพิธีหไห้มีอยู่ในเราแล้วเป็นสูตรแล้ว เป็นพระสูตรเป็นตำลาเป็นตู้มาตถัยประดุกในชีวิตของเรานะ่ะอย่าเอาเพศวัยมาขวางกัน้นเอาความไม่เป็นไรนะ่ะเป็นสิ่งที่มาหลกของเราตอวนี้เราเอาลูกมาขวางกัน้นเอาเสียงมาขวางกัน้นลถกิ่นมาขวางกัน้นเป็นจุกเป็นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้น แม้จะตายก็ลมหายใจมาผ่วงกันเอาไว้อ่านคงไม่เป็นไรไม่มีอยู่ต้องเป็นผู้หายใจไม่ได้เป็นผู้เจ็บเป็นผู้ปวดไม่ใช่ความไม่เป็นอะไรไมีอยู่ในทุกอย่างมันเจ็บก็ไม่เป็นผู้เจ็บมันหายใจไม่ได้ก็เป็นผู้ไม่ต้องหายใจก็ได้อยู่ตรงที่ไม่เป็นอะไร จนมนันจำในจำนานคล่องแคล่วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เมื่อใจจะขาดเมื่อมันเจ็บปวดมาเมื่อมันแก่มกันจะตายจะทำไงไม่ชัดแน่นอนที่สุดคือแก่เจ็บตายชีวิตของเรานะต้องมีความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเดี๋ยวนี้เริ่มต้นจากเข็นกายเห็นเวลาเห็นจิตเห็นธรรมในไปนี่แหละทางไปตรงในแน่นอนปฏิบับติดีตรงนี้ ปฏิบัติตรงตรงนีนปฏิปัติออกจากทุกตรงในปฏิบัติสมพวรตรงในมีเหลี่ยมยกมาไหวตัวเองได้คุ่มฆ่ากับชีวิตที่เกิดมา